و َ ل َ ق َ د ك َ ر َّ م ن َ ا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ وكملناهم وكملناهم في وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ا ل ط ق َ ي ّ ب َ ا ت ِ وَفَضَلْنَاهُمْ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْقَلَقْنَا من تَبْطِئًا وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْقَلَق نا تفضل. يوم ندعو كل أناس بيمامهم. يوم ندعو كل أناس ب م ا م ه م ف َ م َ ن ْ أ ُ و ت ِ ي َ كِتَابَهُ ب ِ أ َ م ِ ي ن ِ ه ِ فَأُولَادَهُ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا ي ُ ظ ْ ل َ م ُ و ن َ فَتِيلًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ อินนัลฮะมดุล illah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ميَهده الله فلا مضلله وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ش ي ك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم بيك أ ص ح ن ا وبك أ م ن ا و ك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 ا ل า ل ا م عليكم و ر ว م ة الله و ب ر ك พี่น้องที่ร่วมนมาสุกหรือนมาศฟ a j a ทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละเราต้องขอบคุณ Allah ซุบฮานะหุวาตาละที่ Allah ให้เรานอนหลับไปเมื่อคืนนี้แล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาดูอาบนที่นอน د ع ا บนที่นอนที่ทุกคนจะต้องกล่าวขอบคุณอัลลอ์ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอัคยานะบาดามาอามาตานาวาอิลัยฮินนูชูรแปลว่าขอบคุณอัลลอ์การสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ผู้ที่ทำให้เราหลับไปหรือว่าตายไปแล้วก็ให้เรามีชีวิตขึ้นมาให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ช้าเราก็จะกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วก็ฟื้นจริงๆก็อยู่ในโลกอาเซรอพอยู่ในโลกอาเซรอแล้วไม่มีตายแล้วไม่มีคำว่าตายแล้วนะอยู่ไปตลอดถ้าขึ้นสวรรค์ก็อยู่ในสวรรค์สบายตลอดถ้าตกนรกก็ลำบากตลอดขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้ทบทวนกุราน วันนี้มาถึงซูรออิสรอในคัมภีร์คุรานมีทั้งหมด114ซูรอ114ซูรหอซูระ อ, รอที่สั้นที่สุดน่ะมีอยู่3อายาะ น, ะน่ะอัละ3ายาน่ะสั้นที่สุดแล้วน้อยกว่า3ายาไม่มี3ายาน่ะสั้นที่สุดไปสเกดูตอนท้ายจะเปิดดูมี3ายาน่ะสั้นที่สุด และสุราที่ยาวที่สุดก็คือสุร่าบากรอแปลว่าวัวสุร่วัวแต่สุรานี้สุร่าที่สิบเจดเนี่ยอิสรอเนี่แปลว่าการเดินทางในเวลากลางคืนคือนบีเดินทางจากนาครมักกะไปมัสยิดอัลอักซอแล้วก็จากอัลอาซอเนี่ยขึ้นไปข้างบนก็เรียกว่าเมียรอจไปรับนามา นนเนี่ยนมาท้าเวลาเนี่ยคืนไปรับจากข้างบนเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อัลล์ก็มอบรางวัลให้ดัะนั้นการนมาท้าเวลาเนี่ยขาดไม่ได้นะครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราทบทวนอัลกุรอานมาถึงสูรออิสร้ออายาที่หกสิบเท่าไหร่นะห8สิบแปดนะครับก่อนจะอธิบายอายาที่หกสิบแปดขอเล่าของเก่านิดนึงท่าน อัครีมะอัครีมาเนี่ยเป็นลูกชายของอบูยะฮัลอบูญะฮันเนี่ยเป็นศัตรูของของนบีมุฮัมมัดของอิสลามวันนี้ยังพูดได้อบูญะฮันเป็นศัตรูของอิสลามตัวยงที่สุดขวางถามกันอบูญะฮันกับนบีเนี่ยเป็นญาติกันไหมญาติกันเป็นญาติเป็นน้องพ่อ ขวางเลยขวางไม่ให้หลานทำงานศาสนาทีนี้ลูกชายของอบูญะฮันเนี่ยชื่ออัครีมาเนี่ยก็เดินจำเนเินตามพ่อนะนะั่นละพ่อสั่งอะไรก็เชื่อหมดวันที่นบีมายึดนครมักกะคือนบีนี่นบีอยู่เดิมนบีอยู่ที่มักกะอยู่นครมักกะพอเผยแพ่ อ, พอิสลามไปอยู่นครมักกะไม่ได้อะ ถูกการแกล้งว่างวางแผนฆ่านาบีนบีก็ต้องอพยพอัลลอฮ์สั่งอให้อพยพจากมักกะไปอยู่ที่นครมาดีนนะพอไปเผยแผ่ที่ที่นครมาดินนะ่าคนเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นอัลลอฮ์สั่งให้ไปยึดนครมักกะนบีก็ไปยึดได้สําเร็จเวลายึดนครมักกะเนี่ยไม่เหมือนกับอเมริกายึดอิรักอเมริกายึดอิรักเนี่ยไปฆ่าคน ไปทำลายคนไปเอาบอ่อน้ำมันเขาแต่ในขณะที่ท่านนาบีหนีจากนาครมักกะไปนำไปม น, นครมดีนา่าแลกลับมายึดมักกะเนี่ยเพื่อไปเอารูปจเจวิตออกจากกะบะต่างกันเลยนบีทำเพื่ออะไรนะเพื่อให้แผ่นดินมักกะเนี่สะอาดจากรูปรูปจเจวิตทั้งหมดแต่วันนี้ที่ทะเลาะกันสงครามกันนะเพื่ออะไร เพื่อวัตถุเผื่อน้ำมันบ้างเผื่อทองบ้างเพื่อแผ่นดินบ้างแต่นบีมาทำมัศเนี่ยเพื่ออิสลามเลยเพื่ออัลร่อยอย่างเดียวให้หัวใจคนสะอาดบริสุทธิ์อย่าให้มีคำว่าชิริกเหลืองหลงเหลืออยู่พอนบีมายึดนครมักกะเร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นงานนาบีด่า น, นาบีว่า น, นาบีก่อนที่ท่านนาบีจะเดินทางเนี่ยนบีรู้หมดอลเอ า, ลาเล่าให้ฟังศัตรูมีใครบ้างมารู้หมด ส่วนใหญ่จะหนีหนีไปอยู่ที่อื่นหมดกลัวนาบี ม, มูฮัมหมัดจะฆ่านาบีไม่เคยฆ่าใครเลยนี่แหละอบูย่าฮันเนี่ย ล, ลูกชายของท่า น, นชื่ออะไรนะชื่ออัครีมาอัครีมานี่ห น, นีจากนครมักกะจะไปอยู่ที่เมืองขาบบะชาอาบบะชากืบประเทศอิธิอุเปียปัจจุบันนี่แหละทีนี้ไปต้องลงเรือพอลงเรือไปได้นิดหนึ่งอ่ะลมพายุมา ลมพายุมาเนี่ยโอกาสที่เรือจะแตกมีคนตายมีสูงมากเลยอยู่ในท้องทะเลคนในเรือก็นั่งคุยกันบอกว่าพวกเราถ้าจะปลอดภัยจากการจมน้ำมีอยู่ทางเดียวให้ขออุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆช่วยไม่ได้ในเรือพูดกันหมดเลย อัคริมา ก, ก็ น, นั่งอยู่ในเรือด้วยเห็นได้ยินเหตุการณ์ทั้งหมดในใจนึกท่านเล่าเองนะนึกฉันนั้นนี้มักกามาจากนกรมักกาเพราะนาบีสอนให้ยึดอลัลลอฮ์เนี่ยอุษานี่จากมามักกามาลงเรือดันมาเจออลัลลอฮ์อยู่ในเรืออีกเข้าใจใช่ไหมคนในเรืออย่างพูดไปคิดถึงอัลลอฮ์คิดถึงอลังอลลอฮ์ฉันนั้นนี้อัลลอฮ์มาจากมักกามาลงเรือ ดันมาเจออัลลอฮ์อยู่ในเรืออีกคิดไปคิดมาถ้าอ AH ัลลอ์คุมของมนุษย์ไม่ให้จมน้ำได้อยู่ในเรืออยู่บนบกอัลลอ์ก็คุมของได้เหมือนกันก็เลยหันกลับกลับมา ก, ก็เข้าเฝ้านาบีไปถึงก็ไปนั่งบอฉันรับอิสลามแล้ว لا إله إلا الله وأن ن ม ك م ร م د ر ล و ل الله ปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามแล้วก็รับชายนาบีกลายเป็นสหาย เมื่อตอนที่ไม่รับอิสลามเนี่ยเป็นศัตรูใช่ไหมพอรับอิสลามปั๊บกลายเป็นสหายบาสหายบาแปลว่าเพื่อนรักของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์รำแล้วก็ช่วยนบีเผยแผ่ศาสนาทีนี้กูอานกูอ่านอายานี้ต้องการจะเล่าอย่างนี้อาฟาอามินตุมไอยักษิฟบิคุมแปลว่าพวกท่านจะปลอดภัยกันนั่นหรืออาฟาอามินตุม พวกท่านเนี่ยคิดว่าคุณจะปลอดภัยหรือคือเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ในทะเลใช่ล่ะอยู่ในอยู่ในเรือให้นึกถึงอัลลอ์ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอ์อัลลอ์ก็ให้ปลอดภัยจากการจมน้ำพอมาขึ้นบกเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าอยู่บนโบกแล้วฉันฉันไม่เอาัลลอ์ฉันก็อัลลอ์ไม่ลงโทษฉันหรอกเข้าใจใช่ไหม ตอนอยู่ในเรือน่ะเพราะว่ากลัวมันจะจมน้ําพออัลลอฮ์ให้ขึ้นบกเสร็จแล้วปลอดภัยจากการจมน้ำจมน้ําก็เลยนึกนึกว่าถ้าอยู่บนบกแล้วยังไงยังไงฉันก็นไม่ตายยังไงยังไงการลงโทษของอัลลอฮ์คงไม่มาอีกแล้วถ้าอยู่ในเรือนี่ยมันโอกาสที่จะพังโอกาสที่จะตายได้ ง, ง่ายมากพอขึ้นบกขึ้น่าปลอดภยัยอัลลอฮ์ถามอาฟาอามินตุกค อยักฟบิกุมพวกคุณนะ่ะจะคิดว่าจะปลอดภัยหรือหากพระองค์จะให้ยานิบัลบา ร, รียานิบัลยานิบัลบา ร, รีริมฝังยานิปวะริมบา ร, รีบวบกเมื่ออยู่บนบกแล้วเนี่ยคิดว่าจะไม่มีโทษหรือมีอะไรยักฟ บ, บีกุมถล่มทับคุณก็มี เมื่ออยู่บนโบกแล้วโอกาสยังมีที่จะลงโทษท่านถ้าไม่เอาอัลลอฮ์ถ้าไม่นับถืออิสลามถ้ายังทำบาปอยู่แผ่นดินจะถล่มทับคุณอย่าคิดว่าอยู่บนโบกแล้วจะอาสาการทรมานลงโทษจากอัลลอฮ์ Allah ไม่มีในยอย่าคิดนะอา้าวแผ่นดินถลม่มก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมีนบีไหนบ้างอะนบีลูด อาเลชิสซาลามเดซีเนี่ยที่อยู่ที่แม่นม้ําอยู่ที่จอร์แดนเนี่ยลองไปดูดิเวลาไปทำพาสเนี่ยไปแวะเราก็ไปดูที่ว่าเดซีเนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละแผ่นดินถล่มเอาล่อให้ข้างบนเนี่ยลมข้างล่างแล้วข้างล่างเนี่ยขึ้นข้างบนพลิกแผ่นดินเลยฉะนั้นอย่าคิดว่าอยู่บนบกจะปลอดภยัยอยู่บนบกก็ไม่ปลอดภยัยถ้าหากว่าไม่เอาศาสนา ถ้าไม่เอาศาสนาถ้าแอนตี้นบีมุ hammad หรือว่านี้ที่แอนตี้ซุนน่านบี ir, หรือไม่เอาอัลลอ์หรือไม่เอารอซูนอย่าคิดว่าอยู่บนโบกนี่ปลอดภัยนะอยู่บนโบกก็ไม่ปลอดภัยถ้าอัลลอ์จะเล่นงานคุณให้ทำอะไรให้แผ่นดินถลม่มอ่านี่อัลลอ์สอนนี่เรื่องอะกิดาทั้งหมดเลยท่า น, นที่เราเดินเดินอยู่โดนหน้าแผ่นดินนี่นะอย่าคิดว่าฉันปลอดภัยแลย้วอา้าวถ้า ถ้าแผ่นดินไหวตายหรือไม่ตายอลัลลอฮ์ที่พระม่าตายเจ้าไหรแผ่นดินไหวฉะนั้นโอกาสที่อลัลลอฮ์จะลงโทษมนุษย์มีได้ตลอดเวลาอย่าคิดว่าอยู่ในทะเลปลอดภัยขึ้นบกแล้วปลอดภัยอย่าคิดโอกาสที่อลัลลอฮ์จะเล่นงานมีไหมมีสูมากเลยฉะนั้นแผ่นดินโอกาสที่จะถล่มมีไหมมีหรือ อวยุรส ي ล ة อลัยุมฮาซิบายุสิลบาวส่งอาลัยกุมการนำสู่เจ้าฮาซิแปลว่าไอ้นั่นน่ะอะไรนะลมพายุแรงแรงแผ่นดินไม่ไม่ไหวนะ่ะดีแล้วแต่โทษอย่างอื่นมีอีกส่งอะไรมานะส่งลมพายุแรงแรงมาเหมือนใครเหมือนอาจสมูธ อลัลลอฮ์ส่งลมพายุมาหนาวเน็บเจ็ดวันเจ็ดคืนตายเรียบหมดเลยแล้วก็ต้นบงต้นไม้เนี่ยพังหมดหักหมดล้มหมดอลัลลอฮ์ส่งลมพายุมาฉะนั้นอยู่บนโบกเนี่ยนะอย่าคิดว่าปลอดภัยนะอย่าคิดว่าปลอดภัยนะคนที่ไม่เอ า, าศาสนาต้องนึกคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ต้องนึกคนที่ไม่เอาสุ น, า น, นาัขนะเบต้องนึก อาสาการทรมานบนบกมีอยู่หลายรูปแบบหนึ่งแผ่นดินไหวสองแผ่นดินถลม่มสามลม้มพายุมาเหมือนกันเหมือนใครในประวัติศาสตร์มีอยู่แล้วนี่อัลลอฮฺเตือนมอมหามะแล้วก็เตือนพวกเราที่อ่านกุราอาอนอายะห์นี้ท่านจะคิดว่าจะปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยซุมมาลาตาจีดูลาคุมวาคีลา แล้วพวกสูเจ้าจะไม่พบลาตาจีดูนแปลว่าจะไม่พบนะลาตาจีดูละกลุ่มสูเจ้าจะไม่พบวากีลวากีนแปลว่าผู้คุ้มครองจะไม่มีใครมาคุ้มครองโตะตะเกียก็คุ้มครองไม่ได้โตะระยองก็คุ้มครองไม่ได้แซะซเซอะไรต่างๆนะคุ้มไม่ได้เลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นก็ช่วยไม่ได้ที่มนุษย์ชอบไปบูชาบูชารูปจเจวีตอื่นๆนอกจากอัลลอฮ์ได้เส้นโตโตเอาไว้ที่แขนก็ช่วยไม่ได้อาจิมัตที่แขวนไว้ที่คอก็ช่วยไม่ได้ของของขลังที่ที่ผูกไว้ที่เอวช่วยอะไรไม่ได้เลยรูปปัน้นรูปจเจวีตที่อยู่ตามอะไรนะตามมุมตึกต่างๆหรือว่า ฝ้าเขียวฝ้าแดงที่ผูกไปที่หัวจัวบ้านสมัยก่อนนี่นะช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่อัลลอฮ์พูดเองนะครับสุ ม, มาลตาจยดูละกุมวาีลาไม่มีอะไรมาเป็นผู้คุมครองสูงเจ้าเลยนอกจากอัลลอฮ์องเดียวฉะนั้นเราต้องนึกถึงรอตลอดเวลานะต้องนึกถึงท่านขอบคุณท่านขอบคุณท่านขอบคุณอัลลอ์นึกถึงอัลลอฮ์ จะทำความดีต้องทำความดีเพื่อเอาลอใหญ่ไปทำความดีเพื่อมนุษย์ทำความดีเพื่อใครนะเพื่ออัลลอฮอง์เดียวฉันทำเพื่ออัลลอฮ์ฉันกินอาหารขอบคุณอัลลอฮ์ฉันดื่มน้ำเพื่ออัลลอฮ์จะเข้าห้องน้ำขอบคุณอัลลอฮ์ต้องนึกถึงแต่อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อย่างเดียวเข้าใจนะอาฉะนั้นโอกาส คนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยอยากคิดว่าเขาเนี่นะลอยนวลนะถ้าอัลลอฮจะเล่นงานนะเล่นงานได้ตลอดเวลาอาณาการทรมานบนโลกดุนยาใบนี้มีหลายวิธีแผ่นดินะลม่มหนึ่งสองแผ่นดินไหวสามลมพายุแล้วก็สีอะไรรู้ไมทะเลาะกันเองระคากันเองอย่างที่อเมริกามันยึดอิรักเห็นไหมละ่ละระค็นค่าวอยู่นองมุสลิมตายเท่าไหร่ แล้วก็ที่นั่นนะ่ะมาเทสนะ์น่ะพาคตา้าตายตายเท่าไหร่แล้วฟิลิปปินสนะ์ตายไปเท่าไหร่แล้วแล้วก็ดันนครชเมียประเทศอินเดียตายไปเท่าไรแล้วและประเทศที่ทะเลาะ ก, กันวันนี้นะ่ะนั่นเป็นอาสาจะอัลลอฮ์ทั้งหมดอัลลอฮ์ส่งศัตรูมาเล่นงานพี่น้องมุสลิมพวกที่ทะเลาะกันเองด่ากันเองฆ่ากันเองนั่นก็เป็นการทรมานเป็นการลงโทษจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนั่นแหละนะอ้าสรุปแล้วว่าไงนะคนที่อยู่ ไม่ได้รับการลงโทษจากอัลลอ์บนโลกดุนยาไปนี่จะเป็นใครก็ตามในคัมภีร์กุอ่านอธิบายอย่างนี้อินนาอัลซันนาอะไลฮิมฮาซิบะแท้จริงเราได้ส่งพายุหินฮาซิบเนี่ยแบบพายุละพาหินมาด้วยนะอย่างบ้าเราเราสมัยก่อนมีพายุแล้วก็พาฝนฝนแล้วก็มีลูกไรนะลูกเห็ุทุกคนก็อันตรายนะอ่า อินน่าอัลสลนะอัลลอฮิมฮัซิบะอัลลอฮ์เคยเล่นงานนบีพวกเด็กสิตายมาแล้วนะอิลลัลลูดเว้นแต่ ى, พวกวงวานของนบีลูดมาถึงนบีลูดเองแล้วก็ลูกของนบีลูดแต่เมีย น, นบีลูดอัลลอฮ์ไม่คุ้มครองเขาให้ตายนะเพราะเมียไม่เอาศาสนาทาั้งๆั้งที่อยู่บ้านเดียวกับนบีนั่นแะหละ กินอาหารหม้อเดียวกับนบีนอนบนที่นอนเดียวกับนบีรู้แต่ไม่เอาศาสนาอาลัลลอฮ์ก็ไม่คุ้มครองเหมือนกันทีนี้นัดใจหนะ้าหุมเราได้ช่วยพวกเขาให้รอดพ้นบิซาฮารินในตองรุ่งสางจังเกตนะอลัลลอฮ์จะลงโทษใครก็ตามส่วนใหญ่อลัลลอฮ์จะเล่นงานตอนเนี้ยตอนเช้าๆเนี่ยแปดโมงเก้าโมงสิบโมงบทีก็ตอนซูบอ เพราะอะไรรู้ไหมพราะเจ็ดแปดโมงเก้าโมงนี่ยคนกำลังลืมมารอเลยถ้าส่วนใหญ่คนค้าคนขายมันนับเงินเพลินฉันได้ห้าพันฉันได้ 10, 1มื่นหนึ่งฉันช่างเนื้อขายได้กำไรห้าบาท ม, มันเพลินอยู่กับการนับสตังหรือก็คนที่นั่งเล่นมารอดมารุกโขกกันมันเหลือเกินเล่นปป๊บปิบบนันลืมมารอหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะ อาญาของอัลลอฮ์การทรมานอัลลอฮ์มาในสองเวลาตอนนี้ตอนเช้าเช้าเช้าเนี่ยรวมไปถึงนั่นเลยะมแปดโมงเก้าโมงสิบโมงนะแล้วก็ตอนดึกๆึกอ่ะหลับกันหมดไม่มีใครลุกขึ้นมาสุ่อยู่ตออัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์นึกถึงแต่นอนนอนนอ น, น, อ น, น, อนถ้านอนไม่หลับก็คิดถึงยายายายายาอะไรนะยาให้นอนหลับมีใครบ้างที่นอนไม่หลับลุกขึ้นมาสุ่อยู่ตออัลลอฮ์มีกี่คน นอกจากคนที่ฟังศาสนาเท่านั้นแหละอาฉะนั้นที่อัลลอฮ์ไม่ลงโทษพวกเราขณะนี้ที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี้เพราะอะไรเนี่ยมาตาก ม, มินไอ้นดีนานี่เป็นเนี่ยมาจาเป็นความโปรดปรานที่มาจากเรามาจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตัอาลาต้องการจะบอกคนกาเฟ่คนที่ไม่เอาศาสนาวันนี้อันที่ทำไมอัลลอฮ์ไม่เล่นงานอะ พออัลลอฮ์ยังเมตตาเขาอยู่งไอ้ที่เมตตาต้องการจะให้เขากลับเนื้อกลับตัวาหันมาเรียนศาสนาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ส่งพวกเธอมาเด็กเล็กๆเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยมานั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยนี่อัลลอฮ์เมตตานะดนใจให้หัวใจของคุณพ่อคุณแม่ส่งลูกหลานมานั่งอยู่ในมัสยิดของอัลลอฮ์แล้วก็มาเข้าค่ายอบรมถ้าไม่ส่งมานะีวันที่ 15- บห้าเในงานอะไร สงอะไรอาผู้เธอยังท่องจาําแต่ว่านึกตลอดเวลาว่าสงการเมื่อไรฉันจะเล่นน้ำให้สะใจใช่ไหมเพราะว่าสงการไ ม, ไม่ใช่งานาศาสนาของเรามันาศาสนาคนฝั่งนูน้นท่านพี่น้องมุสลิมจะต้องไม่เข้าไปวุ่นอย่าเข้าไปวุ่นและเด็กขาดเพราะว่าละกุ่มดีนูกุ้มวาลียาดีาศาสนาของท่านท่านก็ทําไปาศาสนาของเราเราก็ทําถามว่าตอนวันอิดเนี่ยพี่น้องมาใช่มุสลิมมานั่งทีละเราไหม ขอขอมนันทางที่สราวหน่อยมีไหมไม่มีเลยเขาไม่สนใจด้วยสิแต่เรานี่สนใจอ๋อเพราะว่าสงการดีใจใหญ่เลยคนแข่ศาสตร์ก่อนเพื่อนเลยเอ้าวต่อไปอายาที่หกสิบเก้านะะตกลงว่าอยู่บนบกเนี่ปลอดภยัยไหมอยู่บนบทปลอดปลอดปลอดภยยัยไหมปลอดได้ไม่ปลอดไม่ปลอดภยัยมีโทษอยู่หลายหลายอาดาบหนึ่งอะไรนะแผ่นดินไหว สองอะไรนะแผ่นดินะลม่มสามลมพายุเห็น ไ, ไหยนี่อาซาบทั้งหมดแล้วก็ทะเลาะกันฆ่ากันแล้วก็สงครามกันทิ้งระเบิดกันโอกาสตายสูงไหมสูงทั้งหมดเลยมีอยู่สามสีก่การการนะการลงโทษของ Allah อัลลอสุบฮานาหูวะตาลาอายาที่หิบเกอัมอามินตุมอยุอดกุมฟี ตาโรจันโอโครนี่อัลลอฮ์เตือนนะหรือพวกสูเจ้าจะปลอดภัยกันนั่นรึออั้มนี่แปลว่าหรืออามินตุมแปลว่าปลอดภัยพวกคุณคิดว่าคุณปลอดภัยกันนั้นรึอไอยุอยดากุมหากพระองค์จะทรงนำท่านกลับไปไหนกลับไปทะเลอีกครั้งหนึง่ง พวกคุณกลัวทะเลใช่ไหมนะ่ะเพรากลัวทะเลลมพายุมาเนี่ยตายสูงมากคิดว่ามาอยู่บนบกไม่ปลอดภัยอลัลลอฮฺสั่แล้วอยู่บนบกก็ไม่ปลอดภัยถ้าอาลัลลอฮฺจะเล่นงานเล่นได้เลยหรืออีกอย่างหนึง่งอลัลลอฮฺจะส่งคุณ ก, กลับไปอยู่ในทะเลอีกครั้งหนึง่งไปได้ไหมได้อ้าว <c oughs> บางทีอลัลลอฮฺต้องการจะให้เราเนี่ยตายในท้องทะเ ล, เลครั้งที่สองก็ได้ ให้เรามีความจำเป็นจะต้องลงเรืออ่าวันนี้เวลาไปทำอุญรอดส่วนใหญ่ไปเครื่องบินบดใช่ไหมใช่ไม่มีใครลงเรือไปเลยแต่ไม่แน่ต่อๆไปอาจจะมีมีเรือวิ่งจากกรุงเทพไปนู่นนะไปยึดยะราคาถูกยกตัวอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้มันทำอุญรอประมาณเท่าไหร่ห้า0มืดถ้าทีเรือไปคลิปสองหมืนใครไม่ไป โอ้สมัครกันไปเดยเพรามว่าไปสักห้าวันนั่งเรือห้าวันกลับอีห้าวันสิบวันก็ยังดีกว่าเพราะมันถูกกว่าจะรู้จักกับคนเยอะเนี่ยโอกาสที่จะตายมีไหมมีพอลงเรือปับ๊บให้มพายุมาปั้งเรือแตกตายเลยโอกาสตายไีมไหมมีเนี่ยรอก็ ล, ละ <c oughs> อัมอามินตุมพวกสูรเจ้าจะปลอดภัยกนันนหรืออยอเดกุมฟีฮิ หากพระองค์จะทรงนำพวกท่านกลับไปในทะเลอีกครั้งหนึ่งตารรจันอุครอลงทะเลไปอีกครั้งหนึ่งไฟยุรเซลาอะไรกุมแล้วแล้วทและพระองค์ทร ง, ทรงทรงมากันนำสู่เจ้าอะไรครับคอสิฟากอซิปประว่าลมพายุรุนแรงลมพายุแบบแรง ที่ทําให้เรืออับปางพอเรืออับปางคนตายก่อซิฟในภาษากุณอ่านแปลว่าลมพายุแรงๆลงมากระนําเรือให้แตกแล้วก็คนก็ตายแตมานี้อลัลลอฮฺเตือนนะมินารีให้จากลมพายุฉะนั้นกลับไปอยู่ในเรืออีกครั้งหนึ่งอลัลลอฮฺถ้าอาลัลลอฮฺประสงค์จะให้เขาอยู่ในเรือก็ต้องลงเรือพอลงเรือเสร็จแล้วอลัลลอฮฺก็ส่งพายุมา มากันนาเรือเรือแตกคน้นตายฝายยุครีกอกุมแล้วก็ทําให้สู่เจ้าจมน้ำฝ่ายยุครีกอกุมว่าเราก็ยุครีกรูแปล ว, ว่าทําให้จมน้ำเห็นไหมนี่เป็นสรุปว่าคนที่ตายในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ตายเพราะความบังเอิญไม่มีใครตายเพราะความบังเอิญตายเพราะ อ, อัลลอฮ์กำหนดให้ตายบางคนตาย พ่อถูกทรมานตายเพราะการลงโทษนะพอตายแล้วในกูโบเขาถูกทรมานหนักมากเลยมันไสมานาแล้วอลัลลอฮฺบอกกูมันไสเหลือเกินอา้าวปล่อยให้มันอยู่ไปอยู่อยู่ไ ป, ไปแล้วให้เขาตายตายโดยรถชนก็ดีตายด้วยเหตุการณ์อะไรก็ดีหรือตายด้วยพ่อป่วยโรคธรรมดาตายก็ดีแล้วพอหลังจากตายเร า, าจะเล่นงานคนคนนั้นเพราะอะไรรู้ไหม บีมากาฟาร์จมุมเนื่องจากพวกสูเจ้าเนรคุณากาฟา ร, รอบอกปบะวัติเนรคุณต่ออัลลอฮฺสุภาณอูวาตาแหลสังเกตง่ายๆนะคนไม่เอาศาสนาเนี่ยหรือคนมุสลิมคนแขกนี่แหละถ้าสูบุรีหนักๆนะไม่มีสิทธิ์ที่จะกล่าวกลิมะตา์าเฮตก่อนตายได้ละอิลละฮิลละลอจะคิดว่ากล่าวง่ายนะ ยากมากตอนเป็นๆ เ, เนี่ยกล่าวง่ายหมดอ้าวาซิลกีล่แลยินลอรอว่าใจหมดจะไี้พอใกล้จะตายจริงๆนะ่ลิ้นมันแข็งลิ้นมันแข็งทำไมจึงแข็งละ่ะเพราะว่าสูบุรีหนึ่งสูบุรีจัดสองอะไรนะไม่ได้รำลึกถึงอัลลอ์ เ, เนี่ยชาเช้าเนี่ยไม่เคยฟังาศาสนาเลย สุโบยังไม่ตื่นเลยเนี่ยคนประเภทเหล่านี้เนี่ยนะเป็นคนแขกไม่เป็นพ่อพ่อก็เป็นแขกยอ ก, ก็เป็นแขกมะก็เป็นแขกแต่ว่าตูกไม่เอาศาสนาพราะตายตายจริงๆเถออัลลอฮ์กล่กาวกะลิมาได้ไหมไม่ได้เพราะกล่าวไม่ได้นี่นะนั่นคือการทรมานหลังตายอ่ะเพราะฉะนั้นบีมากะฟัรตุมเพราะอะไรนะเพราะสูเจ้านั่นเนระคุณ นี่เราเตือนเตือนหมดเลยฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นคนดีแล้วนะต้องหันกลับมาเรียนศาสนาและมาสนใจศาสนาซุมมาลาจาิดูละกุมมาลนาบีตบีอาหลังจากนั้นสู่เจ้าจะไม่พบผู้ใดตาบีอาเนี่ยตาบีอาแปลว่าฟ้องร้องติดตามฟ้องร้องเพื่อสู่เจ้า ฟ้องร้องวันนี้เรามีทนายใช่ไหมคอยฟ้องฟ้องคนที่ทําอะไรไม่ดีกับเราใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอาคนนี้โกงเงินเราไปเราตั้งทนายให้ฟ้องให้ฟ้องให้ฟ้องคนเนี้ยจ้างฉันทํางานตั้งห้าปีไม่ให้เงินเดือนจนอา้าวทนายก็ฟ้องฟองฟ้องพระก็ว่าว่าความจนกระทั่งชนะก็ได้เงินมาแต่เมื่ออัลลอฮฺเล่นงานคนคนหนึ่งให้เขาตายในสภาพอะไรก็ตาม แล้วใครจะมาฟ้องอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นโรคโทษเขาทําไมอ่ะทนายไม่มีต้องการจะบอกกับวันกิยามะทนายไม่มีไม่มีใครมามาวิ่งเต้นไม่มีใครมาฟ้องร้องเรามาฟ้องร้องอัลลอฮ์เพื่อสูเจ้าที่จะให้เจ้าประสบกับที่อัลลอฮ์ให้คุณประสบกับควาวิบัติเดือดร้อนเนี่ยใครฟ้องอัลลอฮ์ได้อะนี่เป็นข้อเตือนใจให้เรารู้ฉันแสดงให้เห็นว่าบนดุนยาไปนี้ ตั้มทนายฟ้องคนทำอะไรไม่ดีกับเราได้ไั้มได้ อ, อยากมีเมียกันมีผัวกันอยู่กันสองคนเนี่ยไม่แบ่งมรดกให้เขาไม่ให้เขาเลิกกันไม่ให้เงินเขาเนี่ยหรือว่าอยู่กันดีๆเนี่ยไม่ภรรยาเนี่ยไม่ได้ได้เงินจากสามีเลยให้เมียทำงานทำงานทำงา น, งานต่มาผัวเงินมีไม่เคยช่วยภรรยาภรรยาไปฟ้องศาล ไ, ไ, ได้ัหมได้บังคับให้สามีเอาเงินให้ภรรยาชายได้ แต่อัลลอฮ์ลงโทษใครเล่นงานใครไม่มีทนายคนใดฟ้องอัลลอฮ์ได้เลยนี่เป็นข้อสอนเตือนให้เรารู้ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแล้วท่านความดีต้องทําเองนะครับจากคนอื่นทําได้ไหมไม่ได้ต้องทําเองเราทําเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูวาตาแล้วควาว่าตาบีอาร์เนี่ยท่านอิบนุอับบาสแปลว่านาซีรแปลว่าผู้ช่วยเหลือนะ ในภาษาอุรด mhm. ูเน ah, ี่ยแปลว่าเป็นทนายฟ้องเลยนะภาษาอุรดูนะเป็นทนายฟ้องแต่ภาษาภาษาหะดีก็คืนนอซีรอผู้ช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือเป็นเป็นทนายฟ้องร่องอัลไม่มีใครมาทำงานแทนนะครับแทนคุณได้เอาต่อมาอายาที่เจ็ดสิบนะอายานี่ดีมากเลยนะว่าล้าก็ดะกรรอมนาบันีอาดัม โดยแน่นอนยิง่งการรอมนาแปลว่าเราได้ยกยอ่องกัรรอมนาเราได้ยกย่องให้เกียรติใครอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติใครครับบานีอาดัมบานีแปลว่าลูกลูกหลานอาดัมแปลว่านบีอาดัมอัลลอฮ์เนี่ยยกย่องให้เกียรติมนุษ คนที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นี่เป็นหลักฐานนะ่ะเป็นหลักฐานเป็นดารีนกูรอานคือหลักฐานนะ่ะต้องการจะบอกว่ามนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺให้เกียรติยกย่องเป็นสัตว์ถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดไอ้ตับซินอธิบายดีนะเขาบอมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถูกสร้างมาสวยที่สุด ไม่มีอะไรที่จะมาสวยกว่ามนุษย์ไม่มีแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับมนุษย์เนี่ยนะสองอย่างนะที่ว่าสวยแล้วก็ดีเนี่ยหนึ่งสติปัญญาอลัลลาฮหรือว่าชูออดสติปัญญากับความรู้สึก น, นี่แหละสัตว์อื่นไม่มีนะแพะแกะวัวควายไม่มีต้นมนต้นไม้ไม่มีอัลลอฮ์ให้กับมนุษย์อย่างเดียวสัตว์ สิ่งถูกสร้างทั้งหมดนี่แหละอัลลอฮ์สร้างมาทั้งหมดแต่มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีดที่สุดมีอยู่สองสิ่งที่ประเสริฐความรู้สึกหนึ่งคือว่าฮุสเนสูร้รกรูปร่างสวยอา้าวใครมองมนุษย์ไม่สวยมีไหมสวยหมดเวลาเดินเนี่ยใช่เท้ากระสัอื่นเน่ยใช้กีตาร์สีมนุษย์เนี่ยใช่สองและเดินตัวตรงเห็นไหม แล้วก็อันอันที่สามความรู้สึกข้างในเนี่ยในใจของมนุษย์เนี่ยดีกว่าสิ่งที่สุขสร้างอื่นๆทั้งหมดมนุษย์สามารถแยกแยะอ่าเวลาเดินมาเนี่ยเห็นอะไรปั๊บเนี่ยแยกแยะได้เนี่ยไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่ดีใช่ไหมเดินข้ามมาที่มัสยิดเนี่ยเห็นคนนั่งเปิบใจมานึกอันนี้ภาพไม่ดีฉันจะเข้าไปในมัสยิดอ่าเข้ายังไงนึกอีก ข้ามาด้วยเท้าขวา <c oughs> อ่านดูอาว่าอัลลอฮุมมัฟตัฮลีอบบาบราห์มาติกะนี่เป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในหัวใจของมนุษย์ทุกคนที่มีาศาสนาเห็นไมเนี่ยความประเสริฐของมนุษย์มันอยู่ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็รูปร่างสวยมีเรื่องเล่านะอยู่ในตัฟซีภาษาอุลดูมาอาดิสลกคุรานผมอ่านพบเมื่อคืนนี้ <c oughs> แต่เคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้ว <c oughs> มีสามีภรรยาคู่หนึ่ง สามีนี่รักภรรยามากเลยต้องการจะชมภรรยานั่นแหละพาันไปนั่งอยู่ที่ชายทะเลตอนกลางคืนแล้วก็เดือนนี่ไรนะวันเพลินเดือนเต็มดวงเต็มดวงเลยต้องการจะชมภรรยาจะชมไม่รู้ว่าชมแบบไหนกลายเป็นหยากันไเล ย, เลยถ้าหากว่าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์ เธอกับฉันเลิกกันพูดภาษานี่ถ้าหากว่าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์เธอกับฉันเลิกกันยากันเพราะว่าอย่างนั้นผู้หญิงผ้าคลุมหน้าเลยร้องไห้กลับไปหาคุณพ่อคุณพ่อจาสามีฉันยาฉันแล้วกลับมาอยู่กับพ่อที่บ้านและคนที่ยาเนี่เป็นคนของกษัตริย์ เป็นคนของกษัตริย์เรื่องนี้ก็กษัตริย์เรียกมาเฮ้ยมียากัได้ยังไงอ่ะนายต้องใช้ลงคุณยาคุณใช้ยชายชาภาษาอะไรถ้าหากว่าเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์ฉันกับภรรยาชันเลิกจากกันกษัตริย์ว่ามันจะขาดได้ยังไงอ่ะก็เรียกอุลมามะมาโหอุลามะในประเทศวันนั้นก็มีประมาณสิบสิบกว่าคนอนะเรียกมามาเชิญมานั่งเอาฟัตวาซิ สามีที่พูดว่าถ้าหากเธอไม่สวยกว่าดวงจันท์เนี่ยตกหรือไม่ตกอุลมะมานั่งกันสิบคนเก้าคนบอกว่าตกตกตกตกตกมีอยู่คนหนึ่งนั่งเงียบอยู่อ้าอาท่านว่าไงไม่เห็นคุยอะไรเลยอุลมะท่าบอกว่าฉันว่าไม่ตกทุกคนเก้าคนนี่งงหมดเลยท่านว่าไม่ตกอ้าขอข อ, ขอหลักฐานจากกุณอ่าน ค้าพเาอ่านอ่านอ่านอ่านคูรอเ น, นให้ฟังอันวันนี้วันากะ็จะขอรับนัลอินซานาฟิอา์ซตากวีมนั่นหัวเลาะกันใช่ไหมแปลว่าอะไรวันเรากะ็จะขอรับนัลอินซานะแท้จริงเราได้สร้าง ม, มนุษย์เนี่ยราพูดนะแท้จริงเราได้สร้าง ม, มนุษย์ฟีอาฮ์ซตากวีมอา์ซันแปลว่าสวยที่สุด ไม่ใช่ฮัสซันธรรมดาอัหฮสซันแปลว่าสวยที่สุดฉันสร้างมนุษย์มาในรูปร่างหน้าตาที่สวยที่สุดสวยกว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหมดฉันว่าไม่ตกทุกคนตาสว่างหมดเลยเพออัานคุณอ่านนะยะนี่ว่าล้ก็ดคาลักนัลอินซานฟีอัลฮัานตาควีมแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยสร้างมนุษย์มาเป็น สิ่งถูกสร้างชนิดเดียวเท่านั้นที่สวยที่สุดแล้วก็หล่อที่สุดก็เลยตัดสินตกได้ไหมตกไม่ตกอัหัมดูดีละนากายเป็นคดีไปแล้วอาวันนี้มนุษย์จะอยู่ตรงไหนก็ตามประเสริฐที่สุดเลยรูปร่างหล่อที่สุดไม่มีใครมาสวยกว่าเราแล้วแต่หมาเห็นหมามันเห่าน ะ, ะมนุษย์ลองเดินไปสิถ้าหมาเห็นมาเห่าไหม หมาไม่ไม่ชอบอาทีนี้ถามว่ามนุษย์เนี่ยกับมาลาอิกะใครดีกว่ากันมนุษย์กับไซโตนใครใครดีกว่าตอบได้ไหมมนุษย์ดีกว่าไซโตนแล้วมนุษย์กับม า, าลาอิกาล่ะที่เป็นคําถามนะหลายคนอตอบไม่ได้เมื่อคืนผมก็ถามที่บ้านผมเขาบอกมาลาอิกาดีกว่าบอกไม่ใช่หลายคนเข้าใจว่ามนุษย์กับมาลาอิกาเนี่ยมาลาอิกาดีกว่าไม่ใช่ มนุษย์ที่มีาศาสนามนุษย์ที่มีอีม ا ن ดีกว่ามลาอิกาตัางยยเยอะแยะอ้าวมลาอิกาถูกสร้างมาทำไมมลาอิกาเนี่ยถูกสร้างมาให้ทำความดีอย่างเดียวเลยอะไรนะลายอสูนัลลอฮามะอามารุมบะยาฟาลูนามายุมารูนมลาอิกาเนี่ยไม่มีมลาอิกาองค์ใดที่ทรยศต่ออัลลอ์เลยปฏิบัติเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอ์ทั้งหมด ไม่มีมาลาอิกาโอนใดที่ทรยศต่ออัลลอฮ์มาลาอิกาที่กําลังสู ด, ยดอยู่มีไหมมีอยู่บุนชั้นฟ้านี่แหละกําลังยืนอยู่มาเป็นพันๆปีแล้วยังสดูดอยู่ท่านี้เลยยังไม่เคยเงยเลยบางกลุ่มกําลังยืนอยู่บางกลุ่มกําลังรุ้กลัอยู่บางกลุ่มกําลังสู ด, ยดอยู่มลาอิกาที่เอาเอาสังมาเป่านะ่ะจ้องอยู่ที่ปากมา ก, กี่พันปีแล้ว รอให้เป่าอย่างเดียวก็ได้เป่าพูดรันกิจามตตมาเนี่ยไม่เคยทรยศต่ออัลลอฮ์แต่รู้ไหมมาลายกาที่ทาความดีเนี่ยมาลายกาไม่กินไม่นอนไม่แต่งงานไม่เข้าห้องน้ำไม่มีอารมณ์ใช่ป่มมาลายกาทำความดีไม่ต้องฝืนอารมณ์ไม่ต้องฝืนเลยเอาไปรุกัวรุกัว แ, แบบแบบไรนะแบบถูกใจแต่มนุษย์เนี่ย ที่ลูกขึ้นมานมาัสสุโบลุถางพี่เลี้ยงเนะี่ยปลูกกี่เที่ยวปลูกกี่เที่ยวสองเที่ยวบางคนห้าเที่ยวบางคนก็หลบนีนอนไปเลยเพราะเราเป็นพี่เลี้ยงมากกว่นนเราดูสิแค่นั้นมนุษย์นี่นะที่มาทําความดีได้นะ่ะต้องเหยียบกี่อารมณ์อืกว่าจะตื่นมาตอนได้ยินเสียงอาจารย์เรามาแปลงฟันมาอาบน้นํานมาสบางคนมียูนุปต้องอาบน้นํานมาสอีก เราแต่งตัวสวยๆมามัสยิดเหยียบกี่อารมณ์อหโอก้โหต้องเหยียบนะต้องฝืนอารมณ์แต่มาลายิกะไม่ต้องฝืนอารมณ์เลยเพราะหนึ่งไม่ต้องนอนสอไม่ต้องแต่งงานสามไม่ต้องกินข้าวสี่ไม่ต้องดื่มน้ำห้าไม่ต้องเข้าห้องน้ําโอ้สบายมากเลยแต่มนุษย์เนี่ยมีทางนอนมีทางมิกะมีทางทํางานมีทางน่งงนงงวงนอนมีเข้าห้องน้ํา กว่าจะทําความดีได้ต้องฝืนอารมณ์ทีนี้นบีก็สั่งนะฝืนอารมณ์ไปสักระยะหนึ่งพอฝืนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเคยชินพอเคยชินแล้วความอร่อยมันก็จะตามมาที่หลังอีกในตอนนี้นะพวกเราในแก่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ทำด้วยความอร่อยแหละทําไม่ไม่ทำสามมันมันมันไม่มันพาดได้ลุกขึ้นมาณมาตหัดยุบห่มยุลิลยละมันอร่อยจริงๆถ้าวันไหนมาได้ลุกขึ้นมาณมา ทราบว่ามันเซ็งๆยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าความเคยชินมันดีต่ออัล ม, มันติซอลแล้วแล้วจากนั้นเรากับมลาาิกะใครดีกว่ามนุษย์ดีกว่าแต่กับคนกาเฟสนะ่ยใครดีกว่ากับคนไม่เอาศาสนากับคนที่ไม่ลุกขึ้นนมาแต่หันยุตกับคนที่ไม่เอาอิสลามไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาสุนนะนะเบีใครดีกว่ามลาิาก็ดีกว่าตัางเยอะแต่สําหรับกับพวกเรานี่เราต้องดีกว่ามลาาิกะนะ นี่เป็นคำอธิบายของอุลมามะทั้งหมดนะในตับซิดอิบนุกะซิรในภาษาอุดูผู้เช็ยเมื่อคืนนี้อัลฮัมยุริล์ดีหมดเลยเอา้าวพี่น้องครับวะละก็ดการอมนาบานีอาดัมโดยแน่นอนยิ่งเราได้ยกย่องให้เกียรติแก่ลูกหลานของอาดัมอิมามชาฟีมาคืนในเปิดหนังสือคิตาบุล um อุ่มคุมังชาฟีนะอิบามชาฟีบอกว่า ไมยิจที่ตายนศพที่ตายนี่นะศพสะอาดนะไม่มีนจิสไม่ใช่นยิสเอาคุรญญานอายานี้ว่าล้ก็จะกล่อมนาบานีอาดัมแท้จริงเราได้ยกย่องให้เกียรติลูกหลานของอาดัมท่มานไมยิจที่นอนตายเนี่ยมันจะพระเจ้ากระโปรงยี่เป็นต้นใช่ไหมทีนี้พวกคริสเตียนกับพวกยิวในภาษาอุดูอธิบายดีนะ พวกยิวกับพวกคริสเตียนเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยนะอะไรน่คอไนในภาษาอูยฮูดียนัสนียกิตรอิสลามเ่เยอะดะฮาร์กิสเนหีเเคอิไปีเซกุนากาแฮเป็นอะกิดาของพวกคริสเตียนของพวกยาฮูดีสองศาสนา น, นี้บอกว่ามนุษย์มีบาปติดตัวมาตั้งแต่เกิด มนุษย์ทุกคนเนี่ยจะนับถือาศาสนาใดก็ตามนะพอเกิดมาปับ๊บคนนี้มีบาปติดตัวแต่อธิบายอีกเยเซริลตารินมัคลูแคมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่ต่ำต้อยแล้วก็มีมนทินมากที่สุดนี่เป็นความคิดของใครนะพวกยาฮูดีกับนอสรรนีแต่ของอัลลอฮ์น่ะไม่ใช่วัลกอดะการมนาบานีอาดัม แท้จริงเราได้ให้เกียรติยกย่องกับลูกหลานของนบีอาดาัมทุกคนโอ้ขอบคุณอัลลอสุภาณอวยละนี่คำตัดสินคุณอ่านเป็นเป็นดลี่กอก็ไนตัดสินเด็ดขาดนะครับเอาตัลงว่าอัลลอฮฺยกย่องให้เกียรติมนุษย์ไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์ตกต่ำนอกจากตัวเองถ้าไม่เอาศาสนาตกต่ำเอง ไม่เอาอัลลอฮ์ตกต่ำเองเป็นมุสลิมไม่เอาซุนา่นานนบีทาตัวตกต่ำเององคุณอ่านตรงไหนวะแล้วก็ข้อละคนนั้นอินชาอนบีอัลฮซารตักวีมซุมมารอดาดนาหูอัสฟัลลาสาฟิลีนแล้วก็ต่อมาเราจะทําให้เขาเนี่ยอยู่ในสภาพที่ตกต่ําแล้วตกต่ํายิ่งพ่อแก่ๆพ่อแก่ไปหน่อยหลงๆลืลมๆตาก็ยกไม่ขึ้นใช่ไหมมือก็แย่นี่ไง อสวัสดิ์ซาฟิลินสภาพตกต่ําแย่แต่อามัณของเขาไม่ตกตา่าอย่างพี่น้องต้นหนุ่มๆเนี่ยฮิจรฟลุกเนี่ยอามัดเนี่ยยูซุปมานามาัดประจําที่มัสยิดพวกเธอเนี่นะนี่มานามาัดประจำยี่สิบวันสิบห้าวันพอ ก, กลับไปถึงบ้านมานามาัดที่มัสยิดเป็นประจําต้นหนุ่มๆเนี่มานามาดประจําเดี๋ยวพอแก่เล่ามาไม่ไหวผลลบุญนามาดอยู่ที่บ้านเหมือนนามาด อยู่ที่มัสยิดเหมือนกันคุณอ่านรับรองกันว่าร้อยรูมัามนูนีงไงแปลว่าอะไรนะความดีที่เขาทำา น, นไม่สูญหายไปไหนเลยเพราะตอนนมนมมานาม า, อ, า, อ, า อ, อยู่เป็นประจำอ่านคุณอ่านซิครูลอออยู่เป็นประจำพอไม่สบายปราบเข้าโรงพยาบาลให้ห้องเอาไอซูสายแปะเต็มหมดเลยทำไรไม่ได้ นมาศแล้วก็นึกนมาศอยู่ที่โรงพยาบาลท่านอนเหมือนกับมานมาศที่มัสยิดและผลบุญได้ยีสบเ็เท่าเหมือนกันเชาวช้าเย็นนั่งซิกุลลออ่านอ่านอ่านุรานที่บ้านที่มัสยิดอยู่โรงพยาบาลซิกุรุลล้อไม่ได้สายมันเต็มไปหมดเลยแต่ใจมันนึกอยู่ผลบุญเท่ากับอ่านคุรานซิคุรุลล้อเหมือนกันไวรุมามนุนรับสัญญาไว้แล้วจะนั่นร่างอย่างเดียวที่อ่อนแอแต่อีมานอัตตีได้ อามันที่ซอแลที่เคยทำได้หยุดไปอลัลลจะเพิ่มบุญลบุญให้ตลอดไปลานั่นนะวัละกอดกรรมนาบานีอาต่อมาครับวะฮามาลนาฮุมฟิลบา ร, ริวัลบารีและเราได้บรรทุกพวกเขาเห็นไหมฮามานาแปลว่าแบกพวกเขาบนไหยฟิลบา ร, ริทั้งทางบกวัลบารีและทางทะเลเอา้าว อยู่บนบกอลัลลอฮ์ให้คีซาดอีกใชายเป็ไม่ใช่ใชอา้าวมีแพะว่าเป็นอาหารมีวัวโอ้โหเอามาช่วยงานได้แล้วก็มีมา้ามีล่ามีมีลามีล่อ ม, มีรถมีเครื่องบินที่อลัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเนี่ยอลัลลอฮ์ได้อุ้มเขาอยู่บนโบกอุ้มอยู่บนทะเลก็อุ้มให้นั่งเรือได้ด้วยเห็นไหมไปไหนมาไหนอัลลอฮฺอลัอลลอฮ์ให้ทะเลมาให้บกมา้า อโลก็ยอ่ยองมนุษย์เนี่ยให้ทำได้สารพัดทุกอย่างเลยนะครับต่อมาครับวาวาโรอานาหุมินาปยเบตและเราได้ประทานปัจจัยยังชีพที่ดีริสกีเนี่ยปัจจัยยังชีพที่ดีอาหารอร่อยอร่อยใช่ไหมอโลทานอร่อยมากเลยอาหารเนี่ยอโลทานาให้ทั้งหมดเนี่ยแต่อย่าลืมนะสัตว์ที่ตายเองอย่ากิน สัตว์ที่ตายเองอย่ากินแล้วก็สัตว์ที่ไม่ได้ก่าวนามอัลลอ์ตอนเชื่อดอย่ากินเพราะกินมันก็อิ่มนะแต่ว่าวิญญาณทรมานมุสลิมเนี่ยคนที่มีกาลิมาเตาเิตถ้าไปกินสัตว์ที่ตายเองไม่ก่าวนามอัลลอฮ์ตอนเชื่อนะวิญญาณทรมานพอวิญญาณทรมานขออุดมอัลลอฮ์ไม่รับดังอยากินของที่มไม่ได้เชือ่อต้องกินของที่จะเชือ่อ เหมือนการสัตว์เราจะเอามาผูกในวันอีดเนี่ยที่สิ่งเราเป็นห่วงมากก็คือว่าสัตว์อย่าให้สัตว์ที่ยังไม่ได้ถูกเชื่อนั่นเห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งเชื่อต่อหน้าสัตว์อีกตัวหนึ่งอย่าให้เห็นเลยเพอเห็นปั๊บเนี่ยมันมีสารชนิดหนึ่นงจะออกมาจากตัวของสัตว์เนี่ยคณิว่ัฒน์สารอะไรสารทําให้เสียใจแสบความเสียใ จ, ย ม, ยจยมันเกิดขึ้นทําให้เนื้อหนังไม่อร่อยมันซึมออกมาลงไปในเนื้อ แล้วก็ไปกินเนื้ออีกท่านนาบีเลยสั่งเนี่ยเวลาชเชือดสัตว์ต้องอะไรนะต้องเอามีดลับมีดให้คมที่สุดแล้วก็ปิดกัน้นอย่าให้สัตว์อีกตัวหนึ่งเห็นสัตว์อีกตัวหนึ่งกําลังเชือดมันจะมีความกลัวเพรกลัวแล้วสารออกมาในลงไปในเนื้อแล้วเราก็ไปกินเนื้อสัตว์นั่นแหละเราเองก็แท้เสียใจด้วยกังวลด้วยตามมาเต็มไปหมดเลยที่นั้นเอาซุนานะนบีไปใช้นะครับ วาราซากนาฮุมมินอปายบาตและเราได้ประทานปัจจัยอย่างชีพที่ดีแกเขาทั้งหลายให้ไหม่ไปร้องริสกีที่อัลลอให้นะ่ะเต็มไปหมดเลยนะ่ะว่าฟับดลนาฮุมอาลากซีและเราได้ให้พวกพวกมนุษย์นี่นะ่ะดีเด่นมีเกียรติเหนืออาลากซีร <c oughs> ินส่วนใหญ่มิมันขอลักนาะ จากสิ่งที่เราได้บังเกิดมาอัลลอฮ์ให้มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างอันเดียวประเสริฐกว่าสิ่งถูกสร้างทั้งหลายในโลกที่อัลลอฮ์สร้างมามีอยู่อันเดียวคือมนุษย์เลาทำดูลยละขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เรามาสร้างมาเป็นมนุษย์ที่รูปร่างอย่างนี้ในฮะดีสอธิบายอย่างนี้ <c oughs> ท่านเซนเบนอัสลามได้กล่าวบอกว่ามาลาอิกาเนี่ย พูดกับอัลลอฮ์บอย่ารบอยารบนาโอ้พวกอัยบาลของเราเอออินนะกะอาตอยตบเนีาดัมอัลลอ์นี่นะประทานให้กับลูกของนบีอาดัมบนดุนยายะกลูนามินฮากินอาหารมาลกน้าเห็นเรากินก็นึกเหมือนกันนะอย่ารอให้มนุษย์กินอาหารดูสิเราไม่จะกินเลยอาหารแต่อิ่มทั้งปี แล้วก็วิญญาณะอามูนะแล้วก็หาความสุขแล้วก็วิญญชระบูนะให้มนุษย์ได้ดืม่มวิญญาบิซูนให้มนุษย์ใส่เสื้อผ้าเห็นไหมสีเขียวสีแดงสีเหลืองอัลลอฮ์มันได้ใกล้เห็นนะ่ะพูดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เนี่ยให้มนุษย์ได้สวมเสื้อผ้ารอๆเลย ว, วิญญาณตะวัวายุนที่ดีกว่าคือให้เขาจะนิกายอีกอัลลอฮ์ว่าก็แต่งงานมีระฆังเรือนหออีกอะไรอีกดูสิไหม แล้วก็พวกเราเพอะไรนุซับิฮูบิฮัมดิกแต่ Allah สร้างเรามาให้ทำอะไรให้สรรเสริญ Allah วะลานักุโลแต่เราเนี่ยไม่ได้กินเลยวะลานาสรบุไม่ได้ดื่มเลยวะลานัลูไม่เคยกระโดดโลดเต้นเหมือนเด็กๆที่กระโดดเลยมลนคือกาพูดกับ Allah อย่างนี้ Allah บอกไงนะ แล้วก็อัลลอฮ์มัลลิกาถว่าวะวลัมตัวตีนาจาลิกาอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กับเราอย่างกี่ให้กับมนุษย์ฟาตีนาอัลอาคีรออัลลอฮ์ให้เรามีใช้ชีวิตแบบมนุษย์ในโลกอาคีรอได้ไหมอยากได้มัลลิกาอยากได้อยู่อย่างเรานี่แหละแกได้แต่งงานได้ดื่มได้กินได้นอนโอ้โหอร่อยน่าดูแลยใส่เสื้อผ้าชุดอร่อยๆแล้วกินอาหารรส กินเป็นเปรี้ยวบางเข้มบ้างหวานบ้างไปกินแต่ ร, ร, ร้านนู้นบางเข้าร้านนี้มากโอ้โหสาวมันสนุกแต่มาเล ก, กาขออยากอยากได้เหมือนมนุษย์ขอให้ให้ฉันเหมือนมนุษย์ในโลกอาอเซอร์ได้ไหมเี่น้องเราวันนี้อยากเป็นมาเลกาอยากเป็นมนุษย์บางคนเงินน้อยเป็นมนุษย์เป็นมาเลกาดีกว่าไม่ต้องกินอันนี้หามาก็หาตอนเชา้ากระบายหมดแล้ว ได้มาสามร้อยขาบุรีไปซอกนเหลือเท่าไหร่เลิกซูบุรีซะอ้าอย่างนี้เป็นต้นนี่เล่าให้เพียน้องฟังว่ามาลนอะก้เห็นภาพมนุษย์เนี่ยกินนอนนั่งแต่งงานใส่เสื้อผ้าห ล, ะ ล, ะละ่อๆกินอาหารรสอร่อยอร่อยมลนอะก้าก็อยากได้เหมือนกันข อ, อย่อัลลอฮฺให้ฉันได้เหมือนกับมนุษย์ในโลกก็ได้อ้าเพีรออัลลอฮฺจะให้ไม่ให้วันลอว่าแลว้วนะครับอ้าเพี่นอ้องอายุสุดท้ายยอดที่เจ็สเอ็ ยามนัดเราคุณละน่าสมบิอิมามิห์อัลลอฮุอัยิัอันนี้อัลลอฮ์เล่าภาพในโลกอาคีิรพอตาแล้วฟื้นตอนจะฟื้นอนี่ยเล่าว่าไงนะยามนัดเรวันที่เราจะเรียกอ่าเรียกเลยนอนอยู่ในกูโบนะเรียกให้ตื่นให้หมด <laughs> ทั่วโลกต้องตื่นหมดเลยครับ กุลอาอูน่าสินประชาชนทั้งหมดทั้งหมดโลกเลยนะอลัลลอฮ์เรียกให้มาไลกาเปล่ปาสามก็ะพุนแบบไหนก็ไม่รู้แหละทุกคนตื่นหมดเลยให้มาหาอัลลอ์ให้เดินมาหาอัลลอ์ที่ทุ่งมัชชร์อัลล่อนั่งอยู่บนบัลังของอัลลอฮ์เราอะไไม่เห็นเราไม่รู้อธิบายไม่ถูกนะอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทุกคนให้ฟื้นจากกูโบมาฟื้นแล้วกว็เรียกเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนละคนละคนละคน บีอีมามีหิมพร้อมทั้งหัวหน้าของเขาเรียกคนคนหนึ่งมาแล้วก็เรียกหัวหน้าเขามาด้วยคำว่าหัวหน้าอธิบายยังไงละทับเสตยิปนุกะิสตอธิบายไปสองอย่างคำว่าอีมามเนี่ยหมายถึงสมุดบันทึกคำว่าอีมามเนี่ยไม่นจะอีมามนำานามาแล้วแปลว่าสมุดบันทึกที่มาลายิกาบันทึก ผลงานของเขาตั้งแต่อาบ์ตินบาลิกจนกรทั้งตายนะ่ะทําอะไรบ้างอยู่ใ น, นสมุดบันทึกหมดเลยเอาคุณมาและสมุดบันทึกของคุณด้วยท่านอิหม่ามอิบนุกซิดอธิบายต่ออีกไม่ใช่แปลว่าสมุดบันทึกแปลว่าผู้นําของเขาจริงๆตอนที่อยู่บนดุนยาเนี่ยเขาเดินตามใครอะ่ะเดินตามพี่เบิร์ดเอาพี่เบิร์ดมาด้วย ตออยู่บนดุงยาเนี่ยเดินตามใครฉันเอาคนคนนี้นะพักการเมืองคนนี้หัวหน้าฉันเอาหัวหน้าพักเรือมาด้วยเอาคนนี้อยู่บนดวงยารักนบีมุฮัมมัดพานาบีมุฮัมมัดมาด้วยเอาสมัยนบีมูซาเรียกมาเอานาบีมูซามาด้วยฉะนั้นเขาว่าอิหมามเนี่ยมีแปลได้สองความหมายความหมายหนึ่งตัวเองถูกอัลลอฮ์เรียกแล้วก็พาสมุดบันทึกมาด้วยหรือ ไม่ก็ตัวเองมาแล้วก็พาคุณตามใครอยู่บนดุนยาก็เอาคนนั้นมาด้วยหน้าแตกไป <c oughs> อา้าวถ้าบูชาโรคโรูปจเวท้าโรูเจเวทมาด้วยจะเอ็งบูชากันอะ่ะอา้าวบางคนเอาลูกตะกรุดเนี่ยอะไรนะอาศัยศิลินถิมนวงอยู่ที่แขนเอาเอาศัยศิลนมาด้วยอา้าวดูสิมันช่วยได้ไหมไอคนที่บูชาโตตะเกียรไปเอาโตตะเกียรมาอา่อาวโตตะเกียรมาด้วยมา ย, มายืนมายืนดูเนี่ยอา้าว คนที่บูชาโตระยองเอาโตระยองมาคนที่บูชาโตลงนามเอาโตลงนามาด้วยคนทีเอาเขียวเอาผ้าเขียวผ้าแดงผูกอัวเรือแถวภาคใต้นะเอาผ้าเขียวผ้าแดงมาด้วยหน้าแต่ไม่วันนั้นแค่ <c oughs> นั้นเอาอะไรมาดีที่สุดเอาใน บ, บีมุฮัมมัดในยุคลาพานใน บ, บีมุฮัมมัดมาดีที่สุดเราจะพอใจนะนยามะนาดกุลอาุนัซิมบีมามิฮิม วันที่เราเรียกร้องประชาชนทั้งหมดเรียกประชาชนทั้งหมดพร้อมทางหัวหน้าของเขาฟามันอุติยาคิตาบาหูบิยามีนิดังนั้นผู้ใดถูกยื่นอูติยาแปลว่าถูกยื่นคําว่าถูกยื่นเนี่ยตักษิณอธิบายดีนะลมพัดมาเลยสมุดบันทึกเนี่ยอัลลอฮฺจะให้ลมนี่นะภาษาอูดดุไว้นะ เอาลมพัดมาเลยหาชัดแม่โลโกงเกนามะอามานอุลเกฮาตูแม้อุราอุราการปองใจยังไงอารอจะให้สมุดบันทึกเนี่ยให้เอาลมเนี่ยหอบมาไว้ในมือของเขาเลยสำหรับคนดีๆนะสมุดบันทึกอยู่ในมือเขาเลยเพื่น้องดีภาษาอุรดูอธิบายตับเซียภาษาอุรดูนะลมลมช่วยหิวห้วไม่ใช่ิ้วจะพา เอกสารนั้นมาอยู่ในมือผู้สตัตา์ตอบบอกอยู่มือขวานะาพี่น้องใครที่ถูกอะไรนะถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางขวาของเขาฟาอุล อ, อกยกาญคราอูนะกิตาบะหุมยักราอูนแปลว่าอ่านฉะนั้นเหล่านั้นเขาทั้งหลายก็จะอ่านบันทึกของพวกเขา อ่านออกด้วยกันทุกคนถึงอ่านไม่ออกอะไรเลยบนดุลยาแต่อัคเราะจะอ่านสมุดบันทึกของเขาออกทุกคนไม่รู้ภาษาอะไรไม่รู้วันลาขออ่าล้วอ่านออกด้วยกันทุกคนพี่น้องมาตรองหวงเวลายุสลามูนาฟาตีลาและเขาทั้งหลายจะไม่ถูกอยุติธรรมยุสลามแปลว่าอยุติธรมบบธรม ฝาตีลาแต่แม้แต่เล็กน้อยกาไม่มีครับถูกไม่มีเลยไม่มีความอารรมสมบูรณ์ครบหมดเลยสำหรับผู้ศรัทธาต่ออัลล์คนที่มีอิหมานต่ออัลลอฮ์คนที่เอาศาสนาบนโลกดุนยาไปนี่ยอดเล่มจะไม่มีแต่จะถูกเพิ่มอรางวัลจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้เพิ่มขึ้นเหมือนอะไรเหมือนรวงข้าว คนที่ทําความดีบนโลกดุนยาไป น, นี้ของดีของเขาจะถูกเพิ่มขึ้นเหมือนอะไรนะเหมือนต้นไม้เหมือนกับรวงข้าวต้นไม้อาปิรนองปลูกปลูกอะไรนะปลูกมะม่วงไว้ต้นหนึ่งชั้มะม่วงกี่เม็ดเม็ดเดียวปลูกลงไปแล้ดูแลมันให้ดีวัแล้วมันออกมันออกทเท่าไหร่ห้ารอยใช่หรือไม่ใช่อา้าวปีนี้มันออกสองรอยปีหน้าสามรอยปีนี้นั่นผลบุญ เอาละห้เห็นอยู่บนดุยาเห็นอย่างหรือปลูกมะม่วงต้นเดียวลูกเดียวผลมันออกมาขนาดนี้และคุณนมาฎวัตรตูเดียวผลบุญนมาฎคุณคุณเท่าไหร่นึกถึงต้นมะม่วงที่คุณปลูกไว้สิเหมือนการข้าวก็เหมือนการที่เราปลูกว่านนาเม็ดเดียวงอดออกมาเจ็ดรวงรวงหนึ่งมีอยู่ร้อยเม็ดเจ็ดร้อยเม็ดข้าวเม็ดเดียวออกมาเจอยเจ็ดรอยเม็ดนี่ไงความดีที่ทำงป็นนิดเดียวอัลลอฮ์เพิ่มเพิ่มขอให้ทําเพื่ออัลลอฮ์ ทำตามซุนนะนบีอย่าคิดเองเรื่องศาสนาเท่า น, นั้นเองทำตามอัลลอฮ์ทำตามราลรซูนความดีมีได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวาลาอุสลามูนะฟาตีละและเขาทั้งหลายจะไม่ถูกอยุติธรรมแม้แต่ยอมใหญ่แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีคนชั่วนะถูกลงโทษหมดเลยนะครับเอาพี่น้องสรุปแล้วนะอ่นพื่ออ่านขดิษฐานดิษหนึ่งอับดุลฮุรริร อ, รอดได้อธิบายอย่างนี้ ว่าท่านนาบีกล่าวว่ายุดาฮะฮุม uh um, อัลลอฮ์จะเรียกทุกคนในวันเตียมะฟยตอตตอทิตาบาฮูบิยมีนีอัลลอฮ์ก็จะยื่นสมุดบันทึกด้านมือขวาของเขาวายูวายูใบยิตวจาจาฮูแล้วก็ให้ใบหน้าของคนที่มีอีมาเ น, นี่ยนะผ่องใสหน้าลออเลยนะวายะจัลูลารอซิฮีตาจุนมิลุลุ แล้วก็บนศีรษะของเขาอัลลอฮจะให้สวมมังกุรที่ทำมาจากไข่มุกยาตละลาอูมันประกายแสง น, นะนะฟัยัมตอเกูอาลาอัสอิลอาอัสฮาบิฮิเพื่อนเพื่อนของเขาด้าวยชาวชาวมนุษย์ที่อยู่บนบนทุ่งม้าชัดเนี่ยฟายาเลาฮูเห็นคนคนเนี่ยอ้ลหอฮฺทำไมหน้าลอยอย่างงี้เว้ยเดินตรงอย่างงี้ มินบายเห็นจากไกลแล้วนั่นคนดีจะรอดตอบแทนนะยังไม่ได้เข้าสวรรค์นะเดินอยู่บนทุ่งมาชาติก่อนเข้าสวรรค์ประชาชนเห็นก็จะพูดว่า Allah, อยาอัลลอฮ์อ้าทีนาฮ่าจะโอ้อัลลอ์โปรดให้ฉันนะเหมือนคนคนนี้ได้ไหมถ้าไปเราก็แล้วมึงทำอะไรบ้างอยู่บนดุนยาน่มึงนังาวันครบห้าเวลาหรือเปล่าบวชเอาหรือเปล่า เคยแตะกูร์านไหมอ่านกูร์รานวันละกี่อายาที่เพลงรองทุกวันก็นึกตัวเองอนะ่ะนึกนึกันนี้เป็นต้นอา้านี่สรุปให้ฟังว่าโลกอาคีร์ล้มมีจริงตายแล้วต้องฟื้นจริงๆและอลัลลอฮ์เล่าภาพที่ถ้าเราเอาจําภาพเหล่านี้เอาไว้ในใจเยอะๆนะไม่กล้าทำความเชื่ อ, อาภาพนี้ภาพอาลัลลอฮ์เรียกลำใบหน้าสวยแล้วถือเอกสารด้วยมือขวาทาไมต้องมือขวาลนะ่ะ คนชั่วถือบันทึกด้วยมือซ้ายมุมินถือบันทึกด้วยมือขวาแค่ยืนน่นหนังสือนี่ก็รู้แล้วฉันชาวนารกเห็นเอกสารมาอยู่ในมือกว่ามือขวาขอมุอซานี่รู้แล้วอัลลอฮฺนะอุสบิลละท่านวันนี้กำหนดชีวิตเร า, าจะอยู่ในนรกหรือสวรรค์วันนี้อยู่บนทุนยาไปนี้กี่ปีอายุหกสิบปีเจ็ดสิบปีหกสิบปีเมื่อเทียบกับโลกอาคีรอแล้วไม่กี่นาที นครับ سبحانك ALLAHumma ubihamdikas Allahu illa Anta astagfiruka wa adu bi l a i l Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh